สำคัญนเรื่องปัจจุบันขนาดนะปัจจุบันขนาดเนี่ยเพราะว่ามันมันสติปัฏฐานก็คือเรื่องของปัจจุบันขนาเนาะถ้าเราได้หลักเนี่ยได้หลักคือปัจจุบันขนาดก็คือรับรู้รับรู้อะไรสักอย่างเดียวในจริงๆอิงรู้เล่นเล่นรู้เบาๆไปแค่นั้นแหละมันต้องอาศัยเจตนาเล็กน้อยแต่เจตนาเนี่ยมันก็เป็นที่ทําให้เกิดสติได้เหมือนกันว่าอ๋อมีการเจตนาและมีการจงใจแล้เห็นไหมก็ทําให้ธรรมชาติรู้เนี่ยก็จะรู้ถึงเจตนาได้ จริงๆอ่ะมันรู้หมดแหละในทุกทุกอาการทุกอริยเพียงแต่ว่าบางทีปัญญาเนี่ยมันคือไม่เข้าใจไงว่าอ๋อนั่นรู้ไปแล้วนั่นรู้ไปแล้วเนี่ยเหมือนหลวงพ่อเคยเล่าไงบอกว่าตอนปฏิบัติทมใหม่ๆอาจารย์บอกว่าอลองไปเดินจงกรมดิเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะจริงๆอ่ะมันรู้เองอยู่แล้วไม่ต้องถามใครแต่ด้วยปัญญาของเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้คําว่ารู้เองมันคืออะไรนะที่หลวงพ่อไปเดินนะบอกว่า อาจารย์บอกไปเดินสาสิบนาทีหลวงพ่อก็อไปเดินพอไปเดินเสร็จแล้วอาจารย์ถามว่ารู้อะไรมัง่งหลวงพ่อบอกไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าไอ้ตรงแต่ว่านะโอ้มันรู้สึกว่ามันมันร้อนรว่ามันง่วงมันเมื่อยมันปวดตามแข้งตามขาเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆอ่ะก็คือรู้แล้วไงรู้ว่ามันมีอาการอย่างไรแต่ด้วยความโง่ของเราเองอ่ะเรานึกว่าต้องรู้ ต้องรู้ในสิ่งที่มันรู้ยากๆที่มันพิสดารที่มันอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักอ่ะคือมันมโนอ่ะมันมันฝันไปว่าต้องรู้ต้องรู้เช่นแบบต้องต้องเห็นสิ่งมหัศจรรย์อะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้เห็นในสิ่งที่เรามโนเอาไว้ก็เลยบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นแต่ความจริงอ่ะธรรมะมันเป็นเรื่องเรียบง่ายก็คืออะไรที่มันเกิดตามเนื้อตามตัวน่ะมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเนาะจริงๆอ่ะมันก็รู้แหละ แต่ด้วยความไม่เข้าใจเพราะยังฟังน้อยอยู่ยังอ่านน้อยอยู่ยังปรึกษายังสนทนาน้อยอยู่ข้อมูลในทางปัญญามันก็ไม่เพียงพอแต่เมื่อเรานะทั้งฟังทั้งได้ยินทั้งอ่านทั้งภาคปฏิบัติมันก็เลยรู้จักไงรู้จักสภาวธรรมพอรู้จักสภาวธรรมอาจารย์ตำราอะไรเขาก็บอกไปเรื่อยๆว่าสภาวธรรมสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นแล้วก็สังเกตว่าเออสิ่งที่ไม่มีแล้วมันมีมีแล้วมันมันเที่ยงไหมเออมัน คงคนถาวรไหยก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าเออทุกอย่างเนาะมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวคิดมากเดี๋ยวคิดน้อยเดี๋ยวส ง, งบเดี๋ยวไม่ส ง, งบเอา้านี่มันเป็นอารมณ์เป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยนี่อ่าก็เริ่มรู้จักว่าเออนี่ไงมันกําลังสแสดงอยู่แต่ด้วยกิเลสไงบางครั้งเนี่ยถ้าอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมันก็ไม่ชอบมันก็ผลักไสเนาะเช่นเวลาคุ้งสร้านเวลาต้องการอยากจะส ง, งบแล้วมันไม่ส ง, งบอ่ะมันคุ้งสร้างนอ่ะ มันก็ลําคาญใจมันหุดหงิดมันขับแค้นใจเพราะอะไรเพราะมันอยากที่จะให้เป็นอีกอย่างหนึง่งทั้งๆ ท, ที่ในขณะปัจจุบันนั้นเนี่ยธรรมะเขากําลังแสดงความจริงแต่เราปฏิเสธความจริงเพื่อจะไปเอาตามสิ่งที่เราชอบใจเราพอใจตรงนี้เราไม่รู้หรือว่ารู้ไม่ทันพอไม่รู้หรือรู้ไม่ทันเนี่ยตรงนี้มันเป็นทุกทางใจไงเพราะว่าไม่เป็นไปตามความปรารถนามันก็เลยขับแค้นใจ แต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะมากกว่านั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านบอกว่าเอออะไรก็รู้อะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขนาดเนี่ยก็เพียงแค่รู้มันเออก็เลยเอา้าวก็คือแค่รู้ก็แค่รู้แต่ความเกลียดความชังมันยังมีอยู่แต่ก็รู้ได้ไงเออว่าเกลียดแล้วชังแล้วไม่อยากได้แล้วผลักใส่แล้วก็รู้ได้อีเลยรู้จักอา้าวไอ้ตัวรู้มันมีอยู่แล้วนี่ที่เราฝึกเกือบตายเนี่ยก็ฝึกให้มีตัวรู้เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอะไร ก็หมายความว่ามันเปียดมันช่างมันผักใสมันก็รู้ไปก็เลยรู้จักว่าเอ้นี่ฝึกทั้งหมดนี่ก็ฝึกให้มีตัวรู้ไอ้ตัวรู้มันก็ทํางานได้อยู่แล้วนี่พอต่อไปมันก็เออความคับแค้นใจความอะไรมันก็น้อยลงเนี่ยเพราะว่ามันมันรู้สึกว่าเออรู้จักรู้จักธรรมชาติรู้แล้วเนาะมันรู้ไปหมดเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้เกลียดก็รู้แล้วก็รู้อะไรก็รู้รู้รู้เออรู้รู้รู้อ่าทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่ารู้แล้วก็ เข้าใจให้ถูกเสียนะว่าสิ่งถูกรู้ทั้งหมดอะมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรานะเพราะมันเป็นสังขารไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่เรามันจะเราเริ่มเข้าใจว่าเออมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราเนี่ยเข้าใจไปอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปก็ต่อไปต่อมาก็เพิกไปเรนะื่อยเลแต่สุดท้ายเนี่ยมันติดอยู่ที่ผู้รู้เนี่ยว่าเราเนี่ยยังเป็นผู้รู <laughs> ้ว่าที่รู้ทั้งหมดอ่ะมันเป็นเราหรือบางทีอะเราอะเป็นผู้รู้ว่าผู้รู้ มันเป็นอย่างนี้คือมีเราอีกตัวหนึ่งเป็นผู้รู้ว่าไอ้รู้อันนั้นนี่เป็นสิ่งที่มันเป็นเองแต่มันไม่เห็นไอ้ไอ้ตัวเราเนี่ยที่ไปยึดรู้อีกอีกรู้หนึ่งที่เป็นผู้ดูผู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยรู้แจ้งเราเนี่ยรู้แจ้งรู้แจ้งในแต่ลัษ์รู้แจ้ ง, จ ง, จงในเรื่องของผู้รู้แต่จริงๆรรู้แจ้งอะไรเราก็ยังยึดไอ้รู้แจ้งมาเป็นเราอยู่ไง พงั้นก็พัฒนาต่อไปอีกว่าไอ้รู้แ จ, จ้งเนี่ยจริงๆอมัน hmm. ก็เป nice ็นธรรมชาติศักด์แต่รู้แจ้งเ่ยเมื่อกี้เมื่อวานเราพูดถึงศักดิ์แต่รู้แจ้งศักดิ์แต่รู้แจ้งคือมันรู้แจ้งของมันเพราะว่าได้สะสมอะไรมาเยอะมันก็ต้องรู้แจ้งนะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นไอ้รู้แจ้งมันก็ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงศักดิ์แต่ว่ารู้แจ้งซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วเออมันเป็นอยู่แล้วมันรู้แจ้งคือรอบรู้มันก็ไม่ใช่เราเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็เออ อะไรก็เนาะตกลงมันไม่ใช่เราหมดไงให้เข้าใจอย่างเงี้ยแต่ถึงกันนั้นก็ตามไอ้ความเป็นเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นระยะเป็นระยะก็มีสติปัญญารู้เท่าทันว่าอ้าวมันเริ่มสตาร์ทเป็นเราอีกแล้วมันก่อตัวเป็นเราอีกแล้วก็เพียงแต่รู้ทันแค่นั้นแหละเมื่อรู้ทันเสร็จแล้วไอ้ความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเนี่ยมันก็ดับไปตามกฎของธรรมชาติว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับก็เลยเห็นว่าอันนั้นแหละเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตา เออก็เนี่ยมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องก็เลยต้องทุ่มเวลาในเรื่องนี้ให้มากเพราะว่าถ้าเราไม่ทุ่มเวลานะเรามัวแต่ไปไปอ่านไปฟังแต่ไม่เคยกลับเข้ามาพิจารณาตัวเองเนาะมันก็เนิ่นช้าได้ถึงว่ามีความรู้มากแต่ก็ไปยึดความรู้อีกโอ ย, ยิ่งเป็นอัตตาตัวตนมากขึ้นก็ไปอีกเพราะนั้นมันต้อง อืมต่างไงอ่ะก็มีกา ร, รยาณมิตรนี่แหละเนาะกา ร, รยาณมิตรกับโยนิโสมานสิกาลนะสองตัวเนี้ยช่วยได้เยอะกันผิดพลาดกันอะไรนะอย่างที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นความรู้ของของที่อ่าเนี่ยคือฝ่ายที่หลวงพ่อเป็นคนพูดเนาะมันเป็นความรู้ของผู้พูดแต่ความรู้ของโยมอ่ะมันบางทีสมมติเรายังไม่มีใช่ไหมก็ต้องพัฒนาไปเพื่อให้มันให้มันมีความรู้คือรู้เองเห็นเองเข้าใจเองนะไอันนี้เป็นแค่บอกทางเป็นผู้ชี้ทางเฉยเฉยนะ ส่วนสติปัญญาหรือการรู้เห็นเองอะไรเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่เป็นปัจจิตังอ่ะเอออันนี้เป็นแค่คําแนะนาเฉยๆมาตการครับเออเพื่อนมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะไม่พ้นความคิดตปนไปไไปไปไม่ได้เลยเพราะว่าความคิดเนี่ยมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะฮะแล้ว มันใหม่มันก็มีแต่สัญชาตญาณก่อนมันไม่เคยมีปรัชนาญาณครับสัญชาตญาณที่คุณเคยมันรู้กี่กับนานแสนนานพอรู้มารู้ความรู้ความหมายก็เป็นชื่อเรื่องราวหมดมันก็เหมือนกับว่าอืมอยจะอุปมา ย, ยังไงเพราะธรรมะมันสัศภาษธทำ ม, มันยากเอาง่ายๆครับอย่างคนที่เข้าใจธรรมะไม่มว่าจะเป็นปริยัติหรือว่าอ่าคืออภิธรรมก็ดีหรือว่าทางปฏิบัติก็ดีเนี่ย เราทุกคนเหมือนกับถูกปีศาจแมงมุมอะครับไอปีศาจแมงมุมนี่ผมยกตัวอย่างใช่มันเป็นแมงมุมที่ว่ามันมันชอบคิดไปเรื่อยเนาะจะรู้ก็คิดไม่รู้มันก็คิดมันจะยิงเยื่อใยต่างๆไปสร้างรังมนะะันนะฮะเพอร์นี่ส่วนตัวก็ศึกษาอภิธรรมมาแล้วยี่สิบปีก็สอนเรื่องตาหูจมูกลิ้นกก่ใจจิตเ จ, จสิทธ์ูกนิพพานแต่นิพพานเขาไม่พูดถึงเขาพูดว่าจิตเ จ, จสิธลูปก่อน พอให้รู้มากมากมากเข้าใจยังไงเข้าใจยังไงมันก็ยังมีมีตัวเราไปรู้อยู่ดีก็ไม่รู้ว่าตัวเองอะไปรู้มันก็เหมือนเยื่อใยที่มันหลอกตัวเองอะฮะมันไม่หลุดสัทีเราเข้าใจแล้วโอ้เข้าใจแล้วสภาพอภิธรรมเป็นอย่างนี้อย่างนี่างนี้พอวางอภิธรรมแล้วมาศึกษากับหลวงพ่อออสเนาะจายพระเทียนอวัอนนั้นเข้าใจทอดธรรมะก็ภาคอีกละมันเหมือนใยมันเยื่อใ ย, ยมันฉีดมาว่าเอาเข้าใจหลวงพ่อหลวงพ่ อ, พอมาเล่าข้อแมกูบาจานันแต่ก็ไม่เห็นตัวเอง แต น, นี้พ่อออสก็พูดเสมอๆว่าจริ ง, รงๆแล้วสภาพธรรมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเรามีอะไรเป็นเกาะเป็นเยื่อใหญ่ให้มันเกาะได้เราก็มีครู ม, มาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลามีอะไรก็ไปเล่าให้ฟังอย่างผมเนี่ยมีอะไรก็อภิธรรมแล้วไปตําราคมภีก็ไปไปเคี่ยบเคียงกันแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าทุกอย่างล้วนแต่สิ่งที่ว่างเปล่าถ้ามันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้มีอะไรไปหลักใ ห, ให้ให้ใหญ่เป็น ม, มุมไปยืดไปก็ ไปเกาะไปยึดครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้มีเกาะยึดแต่ให้เป็นผู้รู้ถอยมาดูเนี่ยเมื่อมันว่างแล้วไม่มีอะไรเนมันจะไปเกาะไปเยื่อใยอะไรเขาไปไปไม่ได้นั่นหมายความว่าเราเนี่ยอยู่แต่สิ่งที่ว่าคุ้นเคยในเรื่องของอ่ามีเยื่อใยที่จะคิดตลอดแต่ความคิดก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าเข้าใจในความคิดได้ออกไปเป็นผู้คิดได้ก็มีความรู้สึกว่าความคิดเนี่ยเราเรารู้ไม่ทันละเผลอแต่เมืม่อไหร่รู้ว่าว่าคิดอันหนึ่งอิสระจากความคิด เหมือนกันผมเรียนอภิธรรมบ้านธรรมะมาเนี่ยยี่สิกว่าปีเหมือนเหมือนเที่ยที่อยู่ในรูครับก็บอกรูมีหกลูตาหูจมูกลิ้นกายใจผมก็ศึกษาตางนี้มาออธิบายเมื่อวันก่อนกับจิตเห็นเป็นเห็นอย่างนี้ได้ยินเป็นได้ยินอย่างนี้จิตเป็นงนี้รูปนี้สัญญาเป็นงนี้มันก็หาอธิบายละเอียดรอบรู้เหมือนก็รู้นะครับแต่ยิ่งมันไม่รู้เลยมันไม่รู้ยังไงอ่ะเที่ยมันหารูมาแต่รูเอาไปรูนี่ตาบัางหูบัางจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้าง แต่มันไม่ตัวเหี้ยมบอกเห็นหมดในรู้แต่มไม่ได้เห็นตัวเองว่าใครไปรู้อะตัวเนี่ยวันนั้นหลวงพ่อออสเหมือนก็บอกเหี้ยก็ไม่มีรู้ก็ ม, มีเราเป็นผู้รู้ผู้ ด, ดูก็เลยอิสระจากจากตรงนี้อันนี้ผมอุ ป, ปมาบนะุมไยนะหลวงพ่อไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าปัญญาก็ยังอ่อนอยู่แต่ว่ามีความเข้าใจมากวากว่ า, าเดิมขึ้นก็คือว่าความคิดสั้นลงความปูแต่งสั้นลงมีความอิสระมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็มารูอีกอย่างว่าการปฏิบัติธรรมะที่สุดคือปกติที่สุดท่าดีที่สุดแล้วจะเข้าใจที่สุดคือการทีี่่ไมมตตัวน อันหงอาจจะขอกราบเรียนหลวงพ่อออสแล้วก็ท่านพอยแล้วก็อ่าหลวงพ่อเลยนะครับผมทักว่างเนาะช่วยขยายคาว่าเราอะว่างอะคําว่าเราเนี่ยมาจากไหนรบกวนพรแม่บาอาจารย์ช่วยเกื้อกูลหน่อยครับเราได้ทําความละเอียดเข้าใจดีครับขอบพระคุณครับเรามาจากไหนมาจากว่างไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่มีเราคือพอไม่รู้ว่าไม่มีเรามันก็เป็นเราใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าโอ้เราไม่มีไม่มีเราว่างเลย มันอยู่ที่รู้นะรู้ถูกรู้อธิบายก็พูดอยา่าอ้าวเป็นปัจจุบันขนาดเนาะปัจจุบันขนาดเนี่ยลองรู้เราดูนะกลับมารู้เราเนี่ยหลวงพ่อก็พูดถึงเรื่องเรื่องเห็นเรื่องรู้ไปแล้วแล้วก็ได้เข้าใจไปแล้วว่า อ, อ๋อสักแต่เห็นนะ่ะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่เราเนี่ยไม่ต้องเป็นผู้ทําสักแต่เห็นสักแต่เห็นมีอยู่แล้วเห็นอะไรก็เห็นตัวเราอพอเห็นตัวเราเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆมันมันตัวเราจริงหรือเปล่าถ้ามองลึกๆใช่ไหม ผมมองลึกๆมองด้วยปัญญาไอ้ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นมันก็ไม่ใช่เราแต่ถ้าถ้าฟังแค่นี้ว่ามันไม่ใช่เราอย่างไงไม่เข้าใจต้องขยายอีกต้องขยายออกมาเป็นขันห้าพอขันห้าไล่มาทีละขันขันห้าไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไหมถ้าเริ่มเห็นว่าอ๋อแต่ละขันแต่ละขันมันเป็นสังขารผงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเริ่มเข้าใจขันแล้วเออว่าตกลง มันประกอบด้วยขันนี่ในเมื่อแต่ละขันมันไม่ใช่เราแล้วอ่ะเมื่อมารวมเป็นห้าขันมันก็ไม่ใช่เราอยู่ดีแต่สิ่งนั้นมีอยู่เออไม่ได้ทําลายไม่ได้ทําอะไรเพียงแต่ว่าเข้าใจถูกว่าในเมื่อแต่ละขันมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยมันรวมเป็นห้าขันมันก็ไม่ใช่เราอยู่ดีะพอไม่ใช่เราอยู่ดีเนี่ยถ้ากับว่าเห็นถูกแล้วแล้วก็ว่างแล้วคือว่างจากความยึดถือว่างจากความเป็นตัวตนอทีนี้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องขันห้า ต้องเข้าใจเรื่องอะไรก็เรื่องธาตุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกายเนี่ยที่มันมีความแข็งอยู่บ้างอะ่ะเออความแข็งความยืดหยุ่นเป็นน้ําเป็นของเหลวอย่างเงี้ยลองไปเทียบกับข้างนอกก็ได้เช่นธาตุไฟความอบอุ่นนะสมัครธาตุไฟความอบอุ่นที่อยู่ในร่างกายเช่นหัวร้อนเนี่ยตัวร้อนเนี่ยมันมีอบอุ่นใช่ไหมอ่าแสดงว่ามันมีธาตุไฟอยู่มีลักษณะร้อนอบอุ่นอะไรเงี้ย ทีนี้เราไปเทียบกับข้างนอกดูที่ว่าไอ้ความอบุ่นที่มันอยู่ข้างนอกน่ะแสงอาทิตย์น่ะมันมีความร้อนน่ะความร้อนน่ะที่เป็นอย่างนั้นน่ะกับความร้อนที่อยู่ในตัวเนี่ยมันสิ่งเดียวกันไหมอ่ะมันก็คือสิ่งเดียวกันมัน ก, ก็กระจายไปทั่วในเมื่อเข้าใจเรื่องอุณหภูมิเรื่องความร้อนแล้วว่าเออความร้อนมันเป็นธรรมชาติความร้อนไม่ใช่เราเออมันเข้าใจแล้วว่าอ๋อธาตุไฟไม่ใช่เรา ธาตุไฟไม่ใช่เราธาตุไฟมันก็อยู่ทุกที่มีธาตุหมดแต่ที่มันมาอยู่ในนี้ดันหลงผิดแค่นั้นเองว่ามันเป็นเป็นเราเป็นเราทีนี้ธาตุอื่นๆก็เหมือนกันธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอะไรเนี่ยมีลักษณะคือคุ ณ, ณสมบัติเฉพาะตัวอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นในตัวก็มีนอกตัวมันก็มีอ่าในเมื่อเข้าใจสิ่งที่อยู่นอกตัวว่าไอ้ลมที่อยู่นอกตัวเนี่ยมันไม่ใช่เราอย่างไงก็มันไม่ใช่เราอยู่แล้ว เพราะนั้นลมที่อยู่ในตัวเราเนี่ยลมตดลมเลอลมอะไรเนี่ยนะเอา้ามันก็คือลมเหมือนกันน่ะมันไม่ใช่เราดิเออเพราะงั้นไอ้ที่บอกว่าลมเป็นเราอะ่ะมันเข้าใจผิดพอเข้าใจถูกว่าถูกมันเป็นธรรมาตุเป็นธาตุตามธร ร, รมชาติมันไม่ใช่เราอะ่ะพอเห็นว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาเนาะถูกต้องก็เพียงที่จะเรียนรู้เนี่ยฝึกพิจารณาบ่อยๆบ่อยบ่อบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ลงแก่ใจเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ทุกธาตุมันก็ไม่ใช่เราอ่พอไม่ใช่เราเสร็จแล้วต่อมาก็เห็นตัวเราก็ถ้ากล่ว่าเห็นธาตุเห็นตัวเราถ้ากล่ว่าเห็นขันห้าคือเห็นแบบก็เรียกว่ายกเข่งอ่ะยกเห็นทีเดียวเห็นพลุบเลยอะ่ะว่าทั้งหมดทั้งหม ด, ท, izers, ท, หมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นอ่าวทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นการเหมือนกับพัฒนาจิตอ่ะพัฒนาจิตที่มันโง่จิตที่มันยึดอ่ะเนาะให้มันถอนถอนถอ น, ถอนเพราะว่าจะไปสั่งจิตไม่ได้ก็เพียงแต่อาศัยว่าทําเหตุทําปัจจัยแบบเเนนี้ยะ จนกระทั่งมันถอดถอนมีแต่ความเห็นผิดหายไปก็เป็นความเห็นถูกพอความเห็นถูกเสร็จแล้วมันก็เป็นวิชาขึ้นมารู้แจ้งรู้จริจ ง, รงว่าไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเราอะแต่ถ้ามันหลงขึ้นมาเอา้าทําไงได้หลงก็หลงไงพอลึกรู้สึกตัวได้ขึ้นมาว่าไอ้หลงก็ไม่ใช่เราเป็นแค่สภาพธรรมะอย่างหนึ่งเออเห็นไหมพอมันเพราะว่าอะไรมันก็ไม่เที่ยงอะ่ะหลงเดี๋ยวมันก็ตื่นมันก็รู้อยู่ดีอะ่ะเออหลง หลงหลงก็หลงไปแต่พอรู้ขึ้นมาว่าเอาเมื่อกี้มันหลงลดหลงเป็นอะไรหลงก็เป็นสภาพธรรมะเออมันก็ไม่ใช่เราหลงเห็นไหมพอมันตื่นรู้ขึ้นมามันก็เข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าเป็นสภาพธรรมะไม่ใช่เรานี่ยวันนั้นก็ต้องเรียนเรียนรู้แบบนี้แบบนี้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องความหลงให้ฟังนะขนาดหลวงพ่อบวชเป็นพระเนี่ยนะหลวงพ่อยังฝันเลยฝันว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนนะและเด็กนักเรียนมัธยมนะ แล้วหลวงพ่อเนี่ยไม่ส่งงานวาดเขียนให้กับครูแล้วตอนนี้มันเป็นปลายปลาปลายภาคแล้วจะต้องสอบทีนี้ในฝันเนี่ยคือมันจำได้ไงว่าเราไม่ส่งงานกับกับครูแล้วครูก็คงบันทึกไว้แหละว่าเราส่งหรือไม่ส่งปรากฏว่ามันวิตกกังวลในฝันนะว่าเราสงสัยต้องสอบไม่ผ่านแน่เลยเนี่ยเราไม่ส่งงานวาดเขียนก้มอกก้มใจในฝันนะโยม แล้วมันก็มันไม่รู้ตัวหรอกเพราะมันไม่รู้ว่าเรื่องจริงเรื่องเท็จยังไงมันไม่รู้แต่มันมันขวัญมันเขาเรียกว่ามันหลงไปแล้วไงหลงเป็นตัวเป็นตนจริงๆเป็นเราจริงๆในนั้นน่ะเป็นเราเป็นนักเรียนจริงๆรินะอันนี้มันเขาเรียกว่ามันเป็นภาวะที่ไม่รู้เป็นภาวะที่หลงแต่พอมันตื่นเขาเรียกว่ารู้สึกตัวคือตื่นแล้วไม่คือตื่นแล้วคือตื่นจริงๆอ่ะหมายความว่าจําได้หมายรู้เลยว่าตอนนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเป็นพระบวชอยู่แล้วกําลังนอนอยู่ในห้องนอนบนเตียง เอาพอมาเทียบเคียงกันเสร็จแล้วมันจะเห็นเลยว่าเวลาหลงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละเออหลงมันเป็นอย่างนั้นคือมันทําให้แบบปรุงจิตภายในมันก็ปุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตูวเป็นต่าเนาะแต่เมื่อตื่นแล้วรู้แล้วไงความหลงก็ดับไปหายไปนะความหลงที่บอกว่าเราเป็นนักเรียนก็หายไปความหลงว่ามีครูก็หายไปความหลงว่าเราไม่ส่งงานวาดเขียนก็หายไปความหลงว่าเราอยู่ที่นั่นที่นี่ก็หายไปมันหายไปไหนอ่ะมันก็ดับ แล้วมันมันรู้ใหม่เป็นอะไรรู้ใหม่ว่าปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยนี่บวชพระอยู่ไม่ได้เป็นนักเรียนนี่บวชพระอยู่ตอนเนี้นอนอยู่ตรงนี้ยตอนนี้ตื่นแล้วเนี่ยตื่นแล้วเนี่ยก็เห็นสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยเออพอพอมีปัญญาเนี่ยมันก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างหลงกับรู้ว่าหลงเป็นอย่างนั้นรู้เป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ทั้งรู้ทั้งหลงมันก็เป็นความไม่เที่ยงอ่าเห็นไหมหลงก็เป็นความไม่เที่ยงรู้ก็เป็นความไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หลงรู้เดี๋ยวก็หลงก็รู้ แต่ทีเนี้ยมันมีตัวเราเป็นแกนกลางอยู่ก็คือเป็นผู้ผู้รู้ผู้หลงเอ้ยตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้หลงตัวเราเป็นผู้รู้ไม่หลงมันมีตัวเราอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเห็นตัวเราปับ๊บมันจะจะไงก็ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ใช่ไหมก็เลยไม่เป็นผู้รู้เสียแล้วพอไม่เป็นผู้รู้เสียแล้วมันก็จึงมีเหลืออย่างเดียวคือรู้จริงรู้แท้รู้ที่เป็นศักแต่ว่ารู้ ตรงนันแหละมันจะเข้าถึงว่ารู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยมันก็ไม่เป็นตัวเรามันพ้นไปจากตัวเราคือมันไม่เป็นอะไรมันเป็นธรรมชาติรู้รู้แท้แต่รู้นั้นนะมันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วแหละเพราะรู้จักเป็นอย่างดีว่าเราคืออยู่ฝั่งนี้ฝั่งที่พูดคิดนึกปรุงแต่งอันนี้มันเป็นรู้ปลอมแต่รู้จริงรู้ที่เป็นธาตุรู้รู้ตามธรรมชาติเนี่ยมันพูดไม่ได้มันคิดไม่ได้มันนอนไม่ได้มันนั่งไม่ได้มันหลงไม่ได้มันได้แต่รู้อย่างเดียวอ่ะ น, นีเขาเล่ามาเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างรู้กับหลงเป็นยังไงแล้วก็ให้รู้ถึงว่าไอ้ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของปลอมมันเป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายเปนของไม่เที่ยงแต่รู้จริงนะคือที่มารู้เรานั่นแหละอันนั้นแหละรู้จริงเป็นรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่ปรากฏตัวไม่ปรากฏอะไรหมดเลยเป็นความรู้ตามธรรมชาติเป็นรู้ที่ไม่ไม่อาจจะถูกทําลายนะเป็นความรู้ที่ไม่ตาย แต่ตัวเราทั้งตัวขันหน้าทั้งตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันตายเออแต่จริงๆมันก็ไม่รู้อะไรหรอกมันมีแค่ถูกรู้ออนะก้อนเนี้ยควังไปศึกษาไปแล้วน้อมเข้ามาให้เห็นตามอย่างเนี้ยมันก็เป็นสติปัญญานะผาให้พ้นทุกข์ได้นะผาให้พ้นทุกข์คือมันรู้ความจริงว่าไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์ไม่มีเราเป็นผู้ถูคือมันไม่มีเราอะโดยรวมทั้งหมดคือไม่มีเรานะมีแต่ถ้าสิ่งใดปรากฏก็สิ่งนั้นเรียกว่าเป็นสังขาร น, นะสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นต้องดับ ให้เข้าใจแจ่มแจ้งอยู่อย่างเนี้ยเนืองๆโดยเฉพาะกลับมารู้ตัวเนี่ยเพราะว่าถ้าเอาตัวไปรู้เนี่ยมันเรียนไม่จบมันเรียนไม่หมดมากมายสิ่งที่อยู่นอกรู้อ่าสิ่งที่อยู่นอกตัวให้รู้เนี่ยมันมากมายเพราะงั้นถ้ารู้ตัวเห็นไหมรู้ตัวตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่รู้อันนั้นแหละมันพ้นไปจากจากสิ่งถูกรู้ก็เลยพ้นไปนะครก็อย่างนี้แหละเรียนธรรมะก็อย่างนี้แหละเออสงสัยก็ถามถามไปก็ ตอนแรกก็เป็นตัวเราเนาะคุยไปคุยมาเอาผู้ถามก็ไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมมันก็จะเห็นอยู่เฉพาะหน้าเลยว่าผู้ถามเนี่ยเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่าง<ม>ใช่ไหมไม่ใช่เราเพราะนั้นระหว่างที่คุยที่ถามมันก็จะเห็นแจมแจ้งว่าเออมันไม่มีเรามันไม่มีเราไม่มีผู้ถามไม่มีผู้ตอบตรงนี้มันเป็นปัญญาแต่ปัญญาเกิดจากการสนทนาปัญญาเกิดจากการมีผู้ชี้บอกเมื่อมีผู้ชี้บอกต่อไปมันก็เออเขเรียกว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นกับใน เดใช้คำว่าตัวเองก็เดี๋ยวมันก็เออก็ต้องใช้สมมุตินะโยมต้องเข้าใจนะบางทีคุยกันถึงขั้นวิมุติขั้นไม่มีตัวตนพูดไปพูดมามีเรามีเขาอีกเออโยอมแยกให้ถูกนะเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นสับสนบอกเอ๊ะทำไมพูดขัดกันเองอะ่ะมันไม่ขัดหรอกเพราะว่าเราเอาสมมุติมาพูดบ้างแล้วก็ปารามัดมันก็อีกคือมันไปพร้อมกันนั่นแหล ะ, ละแต่ต้องมีปัญญาแยกแยะให้ออกว่าเออตอนเนี้ยกําลังใช้สมมุตินะมันจะได้ไม่สับสน ก็ก่อนจบนะหลวงพ่อจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้เกิดการประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าสภาพธรรมะเห็นมีอยู่จริงนะส่วนตัวเราเนี่ยที่เคยบอกว่าตัวเราเป็นผู้เห็นเนี่ยอันเนี้ยเข้าใจผิดอมาฝึกแบบฝึกหัดกันอีกครั้งหนึ่งนะฝึกร่วมกันให้โยมเนี่ยมองไปที่ผนังผนังบ้านที่โยมอยู่เนี่ยหลวงพ่อก็จะชี้บอกเป็นลําดับไปนะ ผนังบ้านเนี่ยผนังเนี่ยมีอยู่จริงเป็นสิ่งถูกเห็นนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวนี้ถ้ายังมีความเข้าใจผิดเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเราเป็นผู้เห็นผนังนะเป็นผู้เห็นผนังนะเพราะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยเป็นผู้เห็นผนังไปเห็นอยู่อย่างนี้แหละเราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้เห็นเราเป็นเราไว้ก่อนนะตอนนี้แต่ทีนี้หลวงพ่อจะแยกย่อยออกมาว่าผนัง เป็นสิ่งถูกเห็นนี่หลวงพ่อเปลี่ยนเป็นคำพูดแล้วนะผนังเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วก็รู้ได้เห็นได้นะว่ามีตัวเราเป็นผู้เห็นเพราะนั้นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันมีสิ่งสองสิ่งที่ถูกเห็นคือผนังกับตัวเราเพราะฉะนั้นตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นเช่นเดียวกับผนังแหละนะเป็นสิ่งถูกเห็น พอรู้เข้าใจตรงนี้ว่าทั้งผนังและตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นปับ๊บตรงนี้มันจะปัจจุบันทันด่วนฉับทันทันทีเลยว่าโอ้มันมีการเห็นนี่มีสภาพธรรมะที่เห็นเราถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่เห็นเรามันจะเห็นรู้ได้ยังไงจะเห็นได้ไงว่ามีเราเป็นสิ่งถูกเห็นโอ้สภาพธรรมะที่เห็นมีอยู่จริงแต่มันไม่เป็นเรา เพราะเราเป็นสิ่งถูกเห็นเรียบร้อยเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเห็นจึงหลวงพ่อใช้คำพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเห็นมันก็ต้องเป็นเห็นมันจะเป็นอื่นไม่ได้เห็นจะเป็นผนังไม่ได้เพราะผนังเป็นสิ่งถูกเห็นมันเป็นสภาพธรรมะคนละอย่างกันตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นเพราะนั้นตัวเราไม่ใช่เห็นตัวเราเป็นแค่สิ่งถูกเห็น เ, ออเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช่เป็นผู้เห็นเพราะเราเป็นสิ่งถูกเห็นตรงนี้แหละมันจึงสรุปได้ว่าเห็นเป็นเห็นเห็นไม่ใช่เราโยมเข้าใจไหมนะแบบฝึกนขัดอย่างเนี้ยถ้าเข้าใจตรงเนี้ยผ่านโลดเลยสามารถเข้าใจเรื่องรู้เข้าใจเรื่องเรื่องอื่นหมดเลยที่เขาบอกว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่า ถ้าเข้าใจเรื่องเห็นที่หลวงพ่อกำลังอธิบายเนี่ยว่าเห็นเป็นเห็นเห็นจะไม่เป็นผนังเห็นจะไม่เป็นตัวเราเห็นจะไม่เป็นอะไรทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าสักแต่เห็นถ้าเข้าใจเรื่องนี้ปั๊บมาเทียบเรื่องรู้รู้ก็เหมือนกันก็คือสักแต่รู้ก็หมายความว่าไม่มีตัวผู้รู้มีแต่สิ่งถูกรู้กับสภาพธรรมะที่เห็นซึ่งเป็นคนละสภาพเป็นคนละอย่างกันนะสภาพที่สิ่งสภาพที่เป็นสิ่งถูกรู้ กับสภาพรู้เป็นคนและสิ่งกันรู้อะไรอะลองยกตัวอย่างก็ได้เคยรู้อะไรบ้างเคยรู้ว่าเจ็บเนา ะ, ะไดเออ้เคยรู้ว่าเจ็บเจ็บที่มีอยู่ในตัวเนี่ยเจ็บเป็นสิ่งถูกรู้แต่เดิมเข้าใจว่าเราเป็นคนรู้ว่าเราเจ็บแต่เดิมเคยเข้าใจว่าเรารู้ว่าเจ็บเห็นไหมมีตัวเราเป็นผู้รู้แต่มาบัดนี้กลายว่าความเจ็บก็อย่างหนึ่ง ไอ้ตัวเราเนี่ยที่บอกว่าเราเป็นผู้รู้เนี่ยอั น, นี้ก็อย่างหนึ่งกลายเป็นว่าตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่รู้เนี่ยมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ความเจ็บและก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะความเจ็บก็เป็นสิ่งถูกรู้ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้เพราะฉะนั้นรู้เป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงแต่ไม่ใช่เราไ้ก อ, อกไหมรู้เห็น แล้วก็มีอะไรนะทราบเมื่อทราบสักแต่ว่าทราบเคยทราบเรื่องอะไรม้างอ่ะเคยทราบว่าสมมุติว่าทราบว่าโยมยกตัวอย่างประกอบก็ได้เคยทราบอะไรมั่งอ่ะที่อยู่ในตัวทราบว่าเช่นทราบกับรู้เนี่ยจริงๆมันคล้ายกันมากกันนะแต่ภาษาสมมติเนี่ยจริงๆอาจจะเรื่องเดียวกันก็ได้ทราบเช่นสมมติว่าทราบทราบแล้วทราบทราบทราบเออทราบอย่างเงี้ยก็คือรู้ แต่ทีนี้ถ้าลองยกตัวอย่างคำว่าทราบเนี่ยมันคืออะไรไปทราบเรื่องอะไรเช่นทราบว่าออตอนนี้ยังมีทุกอยู่สมมตินะทราบว่ามีทุกอยู่ทุกยังมีอยู่นะทุกยังมีอยู่ที่ไหนดีอะที่ใจทุกมีอยู่ที่ใจทราบแล้วทราบแล้วเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ทำหน้าที่ทราบกับสภาพธรรมะที่เป็นทุกอะมันคนละ ยามกันนะความเป็นทุกข์ก็เป็น ส, สิ่งถูกทราบแต่ทราบเนี่ยเป็นสภาพธรรมะอีกอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ก็เลยทราบได้ว่าทุกข์มีอยู่นะแต่ทีนี้แต่เดิมเนี่ยเข้าใจว่าเราเป็นคนทราบเราเป็นคนทราบว่าทุกข์มีอยู่แต่มาแบบ น, นี้ไอ้ตัวเราเนี่ยมันก็ถูกทราบเหมือนกันว่าอ๋อมันยังมีตัวผู้ทราบอยู่เพราะฉะนั้นทราบกับตัวเราก็เป็นคนละตัวกันใช่ไหม เพราะนั้นตัวเราก็เป็นสิ่งถูกทราบก็ไม่ใช่ทราบเห็นไหมเพราะนั้นคําว่าสักแต่ว่าทราบก็คือเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงแต่รับทราบอะไรก็ได้แต่สิ่งที่ถูกรับทราบอ่ะมันไม่ใช่ทราบมันสภาพธรรมะเป็นคนละอย่างกันเนี่ยถ้าเข้าใจแบบเนี้โยมจะเข้าใจเรื่องสักแต่รู้สักแต่เห็นสักแต่ว่าทราบเพราะผู้เห็นผู้ทราบผู้รู้เนี่ยมันไม่มีตัวตน มันเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่แล้วมีอยู่จริงๆแต่เราเนี่ยไปเป็นผู้ทราบไปเป็นไปเป็นสภาวะอันนั้นไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ถูกรู้เราเป็นผู้ถูกทราบแล้วก็ที่จริงๆเราเองก็ไม่มีลองดูดิถ้ามีมันมันมีก็เป็นแค่สิ่งถูกทราบเป็นสภาพธรรมะสิ่งใดถูกรู้ถูกทราบถูกเห็นสิ่งนั้นเน่ยถูกทาลายก็เรียกว่าเกิดดับหายไปไม่มีเที่ยงแท้แน่นอน มันเป็นแค่สิ่งที่มีแล้วก็ต้องเสื่อมสลายหมดไปเห็นไหมผนังบ้านเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นมันก็ต้องแตกสลายดับไปแล้วตัวเราที่เป็นผู้ยืนดูเป็นผู้มองมันก็เป็นธรรมชาติที่ต้องแตกสลายดับไปเหมือนกันแล้วก็ความทุกข์ความสุขที่เป็นสิ่งถูกรู้ถูกทราบมันก็แตกสลายหมดไปเหมือนกันนึกออกแล้วอย่างว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยมันมีตัวเราที่ไหนไม่มี เพราะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยในขั้นสูงสุดคือขั้นอนัตตาคือไม่มีตัวเราอยู่จริงนะมีแต่ความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนถ้าโยมเข้าใจแบบเนี้เพียรศึกษาแล้วก็มาเทียบเคียงยกตัวอย่างของโยมเองก็ได้โยมไปยกตัวอย่างอะไรก็ได้เพื่อให้แยกนะให้แยกเป็นสิ่งถูกรู้ผู้รู้อะไรแยกแยกแยกเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญญาเข้าใจเอง อันนี้ไม่ต้องอาศัยคนอื่นก็ได้นะเพราะว่าไปฝึกไปดูเหมือนกับว่ามันเข้าใจเองแล้วไงแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยนด้วยมันเป็นความจริงความจริงธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่จริงนะเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงๆแล้วก็ธรรมะประเภทหนึ่งเป็นธรรมะที่เกิดแล้วเสื่อมไปดับไปที่เรียกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมแล้วก็ธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งเป็นธรรมะที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ก็มีอยู่จริงเหมือนกัน นะมันเป็นคนธรรมะคนละประเภทกันนะถ้าเข้าใจอย่างนี้ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญญารู้ชอบรู้รอบรอบรู้อนะรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในสิ่งเกิดดับรอบรู้ในสิ่งไม่เกิดไม่ดับแล้วก็รอบรู้ถึงขนาดว่าทั้งสิ่งเกิดสิ่งดับและสิ่งไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่เราอย่างเนี้ยมันจึงหมดเนื้อหมดตัวนะหมดเนื้อหมดตัวคือเห็นแจ่มแจ้งจริงๆว่าไม่มีตัวเราจริงๆนะก็ พดมาก็โยมก็กลับไปฟังซ้ำหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วแตนะ่เพราะว่าฟังรอบแรกบางทีปัญญามันยังไม่เกิดฟังรอบสองอ้มันก็ชัดเจนขึ้นรอบสามก็ยิ่งชัดเจนขึ้นประมาณอย่างนี้นะก็ฝากไว้นะติดตามหลวงพอ่อแล้วก็ฟังรีเพลย์นะฟังซ้ำได้ในในใ น, ในขับเอาตรงนี้ วันนี้ก็น่าจะสมควรกับเวลาหรือใครจะมีอะไรติดข้องติดคาข้องใจยกมือได้อีกครั้งก่อนปิดรายการอ่าที่พวกเราได้ได้ฟังต้องค่อยๆค่อ ย, อยขเข้าใจเนา ะ, ะต้องการการฟังแต่ละอย่างอมันต้องอาศัยประสบการณ์ความจริงของแต่และท่านถ้าเราฟังอย่างเดียวมันแค่จดจาถ้าฟังเราต้อง น้องเข้ามาใส่ตัวภายในบ่อยๆมันมีผู้รู้กับสิ่งถูกรู้สเต็ปที่หนึ่งคือตัวผู้รู้สเต็ปที่สองคือสิ่งถูกรู้คืออารมณ์หนึ่งคือจิตคือผู้รู้สองสิ่งถูกรู้คืออารมณ์อะไรก็ได้สิ่งที่ปรากฏที่มันปรากฏรู้ได้หมดแต่มีตัวหนึ่งสเต็ปที่สามมาอยู่กึ่งกลางระหว่างเห็นผู้รู้ก็คือจิตและเห็นสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์มันมีสภาวะจิตก็ดับสิ่งถูกรู้ก็ดับแต่ไอตัวที่รู้เห็นการพฤติกรรมของ ของจิตที่ปรุงแต่งก็คือจิตที่มีปัญญาก็จะเห็นจิตที่ไม่มีปัญญามันก็ทํามันหน้าที่ของมันรู้อะไรก็ดับรู้อะไรก็เกิดแต่ไม่ไปหลงเกิดกับสิ่งที่ดับไม่หลงเกิดกับสิ่งที่เกิดเกิดก็เป็นของเกิดดับก็เป็นของดับรู้ ก, ก็เป็นของรู้แต่ละอย่างทําหน้าที่ไปถ้ามีตัวตนเข้าไปรู้มันก็จะมีมีสังขารตลอดเวลาปรุงแต่งตลอดเวลาแต่เมื่อเราเราตันหนักรู้อยู่แก่ใจ เหมือนไม่เหล็กดูวนอะอาจารย์ออสแล้วมันรู้ก็เปิบจะรู้กีก่ครังเมื่อกลับมาตัวเนี้ยที่มันไม่มีคําว่าเราเข้าไปอยู่กลับมาดูดที่ตัวเราเหมือนมือเหล็กดูดเข้ามามันรู้ยากอธิบายนะมันก็หแล้วแต่นะก็ค่อยๆไปก็ฟังบ่อยๆนะกลับไปฟังทบทวนย้อนกลับไปฟังเรื่องศักรวิรูกเมื่อวานเนาะแล้วก็มาฟังเรื่องเนี้ยน้องบ่อยๆแล้วก็พิจารณาการฟังแต่ละครั้งทุกคําพูดของอาจารย์ของอาจารย์ออสแต่ละคํา มีคำเกิดดับตลอดเวลาเนี้ยเกิดดับเกิดดับมีเราก็มีเรามีเขามีเรามีฟังมีผู้ฟังมีผู้ถูกกระทําฟังจนไม่มีผู้เข้าไปฟังฟังจนไม่มีผู้ถูกกระทำนะมันจะเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแล้วเดี๋ยวยังไงพู้นี้ก็ของอ่าก็ขออนุโมทนาของมีเท่านี้แหละแล้วก็กลับไปทบทวนฟังบ่อยๆฟังให้เข้าใจแล้วก็น้องเข้ามาใส่ตัวสักวันหนึ่งอาจจะไม่ถึงเวลาเหมือนดังที่ พระอานุ์ผู้หูสูนเป็นผู้ที่เข้าใจท่านยังไม่ถึงเวลาที่จะบรรลุธรรมด้วยอาจอาจจะมีผลของวิบากกรรมเนี่ยปพอกรรมท่านหมดแล้วปังปป๊บเดียวท่านก็บรรลุธรรมนะอย่างช่านราหุ่นก็อายุน้อยยี่สิบปีก็เป็นพระอรหันต์อานน์นี่แปดสิบปีคิดว่าอาจยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าฟังเป็นค่อยๆสะสมสักวันหนึ่งก็คงได้เหมือนพระอาจารย์ออสนั่แหละเนาะขออนุโมทนาในครั้งนี้ด้วย แล้วก็สําหรับคบเพ่าครั้งต่อไปคือพรุ่งนี้นะปกติจะจัดสิบโมงแต่พรุ่งนี้หลวงพ่อติดธุระตอนตอนสิบโมงก็คงเลื่อนไปส่วนจะเป็นเวลาไหนนะโยมติดตามพอลดหลวงพ่อแล้วกันนะว่าจะจัดบ่ายสองหรือจะจัดทุ่มครึ่งหรืออะไรเนาะลองติดตามดูแต่ว่าขอแจ้งในชั้นนี้ก่อนว่าสิบโมงพรุ่งนี้ยังไม่มีเลื่อนเป็นเวลาอื่นไปนะวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้